คนเราเมื่ อ, อยังหิวโหวยขาดแคลนหรือว่าเจ็บป่วย <c oughs> สิ่งที่ปรารถนาเป็นอันดับแรกก็คืออาหารปัจจัยสี่ แล้วก็สุขภาพแล้วคนที่พระธินาเขาที่อยู่ไม่มีบ้านเรือนนะก็ก็หวังว่าจะมีที่พักอาศัยมีที่คุ้มหัวเอาขั้นได้มาแล้วนะ ไม่ยิหวหดนะพออยู่พอกินไม่เจ็บไม่ป่วยมีที่พักอาศัยแล้วก็ปรารถนายังอื่นนะเพิ่มขึ้นไปอีกอาจจะเป็นความสะดวกสบาย จากความสะดกสบายทางกายได้แล้วก็อยากจะมีงานที่มั่นคงมีชื่อเสียงมีหน้ามีตามีสถานภาพนก็ดิ้นรนแสวงหาเพื่อได้สิ่งนั้นมาบางทีก็ต้องขวนขวาเนย หาซื้อของดีๆสินค้าแบรนดะ์เนมเพื่อได้เพิ่มพูนหน้าตานะเดี๋ยวนีนะ้ถ้าไม่มีของเหล่านี้แล้วก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีหน้ามีตาหรือว่ามีสิ่งเชิดหน้าชูตาเท่าไหร่ ดิ้นรนเพื่อได้มันมาแล้วนะนก็ไม่ใช่จะจบนะถึงตอนนั้นก็เริ่มแสวงหานะความสงบความสงบใจอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนที่ มีมากมายแล้วเนี่ยอยากได้ในประเทศอย่างที่ร่ำรวยอย่างอเมริกายุโรปเนยคนก็มีอะไรต่ออะไรมากมายแล้วสุดท้ายก็เพราะสิ่งหนึ่งที่ขาดไปคือความสงบใจเดีย๋ยวนี้ก็มหันหันมหาสมาธิภาวนากันมากขึ้น แมแต่ประเทศจีนพอพ้นจากความอดอยากยิวโหยความละบากขาดแคลนภายในช่วงอายุคนยี่สปีก็เรียกว่าร่มรวยมันเกินจากสภาพพออยู่พอกินไปแล้วเรียกว่าสุขสบายก็เริ่มหันมาสนใจความสงบ เดินทางมาเมืองไทยมาวัดป่าสุกโตอันนี้ก็มีมาตลอดในช่วงหกติดปีหลังเขาก็จะมาเรื่อยๆแต่ว่าคนที่ฉลาดนี่เขาก็ไม่ต้องรอ นะรอให้มีโน่นมีนี่ซะก่อนถึงจะแสวงหาความสงบไม่ต้องรอให้มีหน้ามีตามีชื่อเสียงมีสถานภาพมีการงานที่มันคงแล้วถึงค่อยนึกได้ว่าเออความสงบนี่มันเป็นสิ่งสำคัญนะไม่เป็นต้องผ่านจุดนั้นมาก่อนก็ไดนะ้ถึงแม้พออยู่พอกินหรือว่าไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็จะเห็นได้ เคยปัญญาขางตัวว่าไอ้มีสิ่งเหล่านั้นะเงินทองชื่อเสียงสถานภาพมันก็ไม่ใช่ให้ความสุขอย่างแท้จริงเพราะถ้ามันให้ความสุขอย่างแท้จริงก็ไม่ต้องไปสายหาความสงบหรอกไอ้เพราะมันไม่ได้สุขอย่างแท้จริงเลยต้องขนขวายดิ้นรนต่อไปต้องมาปฏิบัติทำมาเข้าคอร์สนะ เดินทางกันไปวัดป่าต่างต่างอนี้คนที่มีปัญญาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องผ่านจุดนั้นมาก่อนไม่ว่าข้ามขั้นตอนไปเลยอย่างพวกเราก็ไม่ได้ตอนเป็นคารวาก็ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีชื่อเสียงสารภาพอะไรแต่ว่าเห็นว่าความสงบใจเป็นของดีแล้วก็ ก็มาเลยนะตรงมาตรงมาสู่ชีวิตที่เรียบง่ายที่สู่วิธีการปฏิบัติที่จะให้ความสงบกับเราได้ไม่ต้องเสียเวลามาตอนแก่หลังจากที่ได้อะไรแต่อะไรมาพบมามากแล้วก็ยังไม่พบกับสิ่งที่ต้องการแท้จริงไม่จำเป็นนะ เรียกว่ารัดข้ามมาเลยวันนี้เรามาเรามาอยู่นีนะ่มายอมละทิ้งความสุขวกสบายนะในชีวิตคารวาวาหรือว่าที่บ้านนะมาอยู่ที่นี่นะก็มุ่งย่อมปรารถนาความสงบนะไม่มากก็น้อย ไม่งั้นก็คงจะกลับไปสู่ชีวิตเดิมๆซึ่งมีเสรีภาพที่จะเที่ยวสนุกสนานแสงาความสุขสบายแล้วก็ไต่เต้าตามที่ใครๆเขาก็ทำกันเรามาอยู่ที่นี่แล้วก็มา ให้เวลากับการปฏิบัตินะก็เพราหวังความสงบแต่ก็ต้องนะก็ต้องวางใจให้ดีนะเพราะว่าบ่อยครั้งในความสงบก็ดูมันอยู่ไกลเหลือเกินนะสงบกายอะใช่นะ ไม่มีเสียงอึกทึกคืโครมไม่มีเสียงรบกวนบางวันบางช่วงบางจุดบางที่อาจจะไม่ได้ยินเสียงคนคุยกันเลยมีแต่เสียงธรรมชาติแต่ว่ามันก็ยังไม่พบกับความสงบใจภาวนาแล้ว เดินจงกลงก็แล้วสร้างจังหวะก็แล้วตามลงหปจากก็แล้วก็ยังไม่พบความสงบอันนี้จริงมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือรู้วิธีที่จะอยู่ออกับความไม่สงบให้ได้เมื่อที่เรา ปรับตัวที่จะอยู่กับความไม่สะดวกสบายทางกายในที่นี้่มันต้องอาศัยการปรับปรับตัวหรือปรับใจโดยปรับอย่างอื่นก็ไม่ได้ไม่เหมือนอยู่ในเมืองหรือว่าไม่เหมือนก็ชื่อที่ผ่านมาอากาศร้อนก็ติดแอร์หรือว่า มแมลงเยอะก็อาจจะติดมุ้งลวดหรือมีฉะนั้นก็มีอุปกรณ์ไล่ยุงสารพัดอยู่ที่นี่การไปปรับภายนอกนี่มันทำยากแต่ว่าปรับภายในคือปรับใจหรือปรับตัวนี้มันทำได้ง่ายกว่า นั่นกับความไม่สงบก็เหมือนกันนะความฟุง้งซ่านความติดที่มันผุดความคิดขึ้นมาสารพัดก็ต้องรู้วิธีที่จะรับมือกับมันวิธีที่จะรับมือกับมันดีสุดคือว่าเห็นมนว่ามันเป็นธรรมดายอมรับมันซะถ้ามันเกิดขึ้นนะ้วก็ต้องเอออยู่กับมันไป อย่าไปรงเกียจจงชังมันไอความฟุ้งซ่านอย่าไปหงุดหงิดลำคาญใจกับมันอย่าไปปฏิเสธผักใสมันเพราะว่ามันเป็นธรรมดาเ ช, ช่นเดียวกับความไม่สุขสบายต่างๆแต่ทายังไงมันก็ไม่มีทางสุขสบายกว่าหรือสุขสบายเท่ากับชีวิตในเมือง หรือว่าที่บ้านของเราได้แต่เราก็อยู่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันจนกระทั่งกลายเป็นสบายเลยนะพอพอปรับตัวที่จะอยู่กับความไม่สุดกสบายได้บางทีสบายกว่าอยู่ที่ที่บ้านอยู่ที่กรุงเทพนะหรือว่าอยู่ที่ไหนสักนะี่ ปรับตัวคือปรับใจเนี่ยอนี้เราก็ทํามาได้เราก็หลายคนก็อยู่ที่นี่มาจนทั่งคุณเคยความไม่สะดวกสบายทางกายไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อนาทอร้อนใจอะไรเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับใจให้เข้ากับความไม่สงบใจด้วยปรับใจเข้าความฟุ้งซ่านซึ่งเป็น ธรรมชาติของจิตเป็นธรรมดาของใจใจมันก็มีธรรมชาติคือชอบวิ่งเล่นชอบเที่ยวเตรนอันนี้พูดถึงปิดใจของปุถุชนนะนี่ถ้าเราวางใจไม่ถูกเนี่ยไปหงุดหงิดลำคาญใจเราก็จะทุกข์กับมันมากมันจะทุกข์จนไม่อยากจะอยู่เลยนะ มันมีนักปฏิบัติตำนวนมากที่เรียกว่าต้องการความสงบอย่างยิ่งพอไม่ได้ความสงบก็โอ้ยไม่ใช่แค่ไม่พอใจเดียมันมีความรู้สึกผิดหวังทอดแท้มีความขุนเคือง บางทีไม่อยากจะไม่อยากจะไม่อยากจะบวชต่อเรือบางคนจะถึงขนาดไม่อยากจะอยู่ต่อเลยในพระไตรวิฎกก็มีเรื่องราวของพระเถระพระเถรีหลายท่านเถรีก็พือิษุณีที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะว่าบวชมาแล้วเจ็ดปีบ้างยี่สิบปีบ้างไม่พบความสงบเลย ก็ท้อแท้ผิดหวังขับแค้นถึงก่าตัวตายแต่ว่าพอลงมือไปแล้วนี่พอจิตท่านพลิกตั้งสติได้สติได้สติก็มาพิจารณา ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้ว เ, เอาเวทนาเป็นอารมณ์ก็เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มากความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันก็มีข้อดีนะมันมันบอกมันส่งมันสอนมันให้ความจริงมันแสดงสัจธรรมว่าสังขารเป็นทุกข์เหลือเกินสังขารไม่ทุกข์เหลือเกินเห็นแจ่มแจ้งเนี่ยปัญญาเกิดจิตก็หลุดพ้นนะเป็นพระอรหันต์เลย ก่อนที่จะสิ้นลมหรือเพราะที่สิ้นลมก็เลยมีเรื่องก็เลยมีการบันทึกให้ให้เรารู้ไว้ไอที่ตายไปโดยที่ไม่ไม่ได้บรรลุอะไรเลยก็คงมีอธิค่าตัวตายสายเหตุนหนึ่งก็พราะไม่พราะความสงบที่จริงในความคนเรา แม้หิวโหยยังไงก็ไม่อยากฆ่าตัวตายนะแม้เจ็บป่วยนี่ก็มีน้อยคนที่จะฆ่าตัวตายหรือคิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่ทำไมพอใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านเนี่ยมันถึงรู้สึกทรมานมากจนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตาย จริงความไม่สงบก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะไม่ใช่ตัวการสำคัญตัวการสำคัญคือใจที่มันลังเกียจผักใสยไม่ชอบความความฟุ้งซ่านแล้วความไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ามีความปรารถนาความสงบมากยิ่งปรารถนาความสงบมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่ชอบความไม่สงบมากเท่านั้น มันเป็นปฏิกิริยากันก็มือคนที่อยากหนุ่มอยากสาวเนี่ยก็จะยิ่งอยากหนุ่มอยากสาวเธอแล้วก็ยิ่งไม่ชอบความความแก่ความชรามันเป็นปฏิภาคพกผันกั น, นอยากรออยากรออยากสวยมาเธอแล้วก็ยิ่งไม่ชอบ ความไม่หล่อความไม่สวยนะคือไม่ต้องเธอขี้เลนะแค่ธรรมดาธรรมดานก็ไม่ชอบแล้วละ่ะถ้ามีความอยากหล่ออยากสวยมากยิ่งอยากมีร่างที่เพรียวบางนะก็ยิ่งไม่ชอบน้ำหนักที่เพิ่มมาทีละนิดทีละนิดนะนั่นความอยากกับความไม่ชอบเนี่ยมันเป็นของคู่กัน อยากอะไรก็เกียดไม่ชอบสิ่งตรงข้ามยิ่งอยากได้ปรารถนาความสงบมาแถวก็ยิ่งไม่ชอบยิ่งรังเกียจความไม่สงบหรือความฟุง้งซ่านตรงนี้ล่าคือปัญหาไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาเหมือนกับความแก่ ความาความชรามันก็ไม่ใช่ปัญห า, ถ, าถ้าหว่าถ้ามองว่ามันเป็นธรรมดาแก่ก็แก่ไปหรือว่าหน้าตาไม่สาสวยก็ธรรมดาไปเอาดีทางอื่นแทนหรือไปไปหาคุณค่าจากสิ่งอื่นแทนที่มันประเสริฐกว่าดีกว่า อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังหลายคนที่มาหามาที่กุฏิก็หลายคนจะพูดว่าเนี่ยมีปัญหานะเรื่องการปฏิบัติคือว่ามันไม่สงบทำไมมันจะสงบที่จริงคำตอบมันมันก็อยู่ตรงที่ว่า ก็อย่าไปรังเกียจอย่าไปผักสายความไม่สงบหรือว่าอย่าไปงุนงงความฟุ้งซ่านบะางคนเลิกทำไปเลยนะเพราะว่ามันทำแล้วไม่สงบก็บอกให้ว่ า, วาเป็นเรื่องธรรมดานะไอ้ความไม่สงบหรือความฟุ้งซ่านเป็นเรื่องของเป็นธรรมดาของใจอย่าไปงุงนงงมันนะ วางใจเป็นกลางกับมันซะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ก่อนก่อนที่ไม่ได้ไม่ได้มาบวชไม่ได้มาปฏิบัติเนี่ยมันก็อยู่ออกับความไม่สงบได้ก็อยู่ออกับความฟุ้งซ่านได้แต่ว่าพอมาบวชแล้วหรือพอปฏิบัติเนี่ยจิตมันก็จะมุ่งเอาความสงบ พอาแม่เอาถ้าไม่มุ่งควาสง ก, ก็ไม่มาบวชไม่มาปฏิบัติแต่ว่าพอปฏิบัติแล้วมุ่งกับความสงบเนี่ยไอ้ความที่ความอยากความสงบก็ทําให้เป็นปัญหาทํำให้ยอมรับความจริงความเป็นธรรมดาของใจไม่ได้คือความฟุ้งซ่านความซัดสายก่อนปฏิบัติกออ็ธรรมดาไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยกับสภาพจิตที่สัดสายฟุ้งซ่านแต่พอปฏิบัติแล้ว กับจะเป็นจะตายให้ได้อันนี้เพราะความยึดนะความยึด ค, ความอยากหรืออุปอาทานไหนได้ความสงบนั้นวางใจให้ดีนะไม่ต้องไปรังเกียจผักสายมันมองธรรมดาไปจะทำก็ได้ก็คือวางนะวางความอยากนะวางความอยากอยากสงบมันนะ พอความสงบมันจางคลายไปความไม่สงบก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันก็อาจจะยากนะพอบางคนก็หลายคนก็บอกนะก็มาปฏิบัติก็เพราะอยากได้ความสงบมาบวชก็เพราะอยากได้ความสงบอันนี้ก็ดีแล้วนะแต่ว่าพอพอลงมือปฏิบัติก็ต้องวางกนะ็วางความอยากที่จะให้จิตมาสงบ อนนี้แหละที่หลวงพ่อเชียนพ้ว่านี่ให้ทาเล่นๆนะทำเล่นๆความหมายคือให้วางความอยากนะความอยากสงบความอยากอยากรู้นั่นรู้นี่แล้วถ้าวางได้เนี่ยพอไม่สงบหรือว่ายังไม่รู้มันยังหลงอยู่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เ่วความฟุ้งซ่านนะความหงุดหงิดความ ขุ่นมัวความโกรธความเศร้าไอ้พวกนี้นี่ก็เหมือนกันนะอย่าไปลังเกียจมันมันเกิดขึ้นก็แค่ยอมรับหรือว่าดูมันเฉยเฉยเห็นมันดูมันอย่าไปผักสายมันเพราะถ้าผักสายเมื่อไหร่เราก็จะเข้าไปเป็นมันเลยเราก็จะเข้าไปเป็นมันเหมือนกับว่าติดกับดักของมันมันล่อมันล่อให้เราเข้าไปผักสายมัน พอเราค่อยผักสายก็เสร็จเลยเหมือนกับพรานที่เขาดักไก่ต่อไก่ต่อนกด้วยกันล่อให้นกหรือไก่ไปไปขับไล่ไอแขกแปลกหน้าไอนกต่อน่าเชื่งนกต่อคือว่าล่อให้เจ้าชิด น, นี่มาเจ้าชินมาทําไมมาเพื่อจะขับไล่มาเพื่อจะจิกเพื่อจะกัดเพื่อจะ ผลักออกไปแต่ตอนทีที่มามาติดมาขับมาไล่มาผักสายก็เสร็จเลยนะติดแล้วติดบ่วงที่เขาที่พานล่อไว้ติดกับตักของพรานเพราะว่าอยากจะผักไส่ไอ้เจ้าอาครตุกกาให้ความฟุ้งร้านความกลัวความเกลียด ความขุนมัว น, นี่ก็คืออคตุกราที่จอนเข้ามาในใจแต่ถ้าเราไปไม่รู้ทันไปผักใสมันเราก็เป็นมันไปเลยนะเป็นผู้โกรธผู้เกลียดผู้ฟุ้งซ่านผู้หงุดหงิดให้วางใจกลับมาใช้วิธีใหม่คือว่า เป็นกลางกับมันวางใจเป็นกลางกับมันไม่ถักใสไม่ไม่โกรธไม่ขุนมัวดูไม่ได้เฉยเห็นไหมหเฉยหรือว่ารับรู้แค่วันว่ามันมีอยู่ยิ่งความอย่างที่บ่อยนะความความฟุ้งซ่านความโกรธไม่ใช่ปัญหานะไมีที่ใจเราถ้าความฟุ้งซ่านความโกรธเกิดขึ้นขณะที่เราหลงนะอันเนี้ยมีปัญหาเลย เราจะทุกข์เราจะรุ่มร้อนแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเรามีมีสติมีความรู้ตัวเป็นของดีเลยนะมันเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราหลงหรือรู้ถ้าหลงเนี่ยเสร็จนะแต่ถ้าเรารู้นะอันนี้ดีเพราะว่ามันกลายเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกสติ เจอบ่อยๆเจอบ่อยๆก็เหมือนว่าทำการบ้านบ่อยๆทําการบ้านไปไปบ่อยๆเราก็จะช่องคล่องเคลี้ยวชํานาญนะเรามีโจทยนะ์จะเป็นโจทย์เลขโจทย์ภาษาอังกฤษโจทย์คณิตศาสตร์ทำไไว้ทำไปไว้เราฉลาดเราคล่องแคล่วเราคิดได้ไวขึ้นถ้าเราเนี่ยถ้าเรารู้นะถ้ามีความรู้ตัวเนี่ย อาการแบบนี้เป็นของดีมันเป็นการบ้านให้จิตคล่องแคล่วในการในการรู้ทันมันยิ่งมันมาบ่อยๆมาบ่อยๆเราก็เห็นรู้จักมันดีขึ้นเรียกว่ารู้ลักษณะอาการของมันว่าไอ้แบบนี้เนี่ยคือตัวนี้ แล้วก็รู้จุดอ่อนของมันมากขึ้นมันโผล่มาบ่อยๆโผล่บ่อยแล้วก็จะรู้จุดอ่อนทํา <uniform> ทให้เรารับทํำให้เราจัด ก, การกับมันได้จัด ก, การมันก็ไม่ทําอะไรมากไม่ต้องผักสายอะไรแค่วางเฉยๆหรือแค่ไม่เชื่อมันมันจะยัว่วมันจะยวนให้เรามายุให้เราผักสายมันเราก็ไม่ไปมันเกิดขึ้นเราก็รู้ทันได้ไวแล้วรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วาง ถ้ารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆนี่มันก็จะสอนให้มันก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นแสดงว่ามันเองก็ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นนัตตาเราก็ฉลาดขึ้นปัญญาก็เกิดถ้ามีประโยชน์หลาอย่างถ้าเกิดว่ามันมาแล้วเรารู้นะทำให้เรารู้ทันมันหลงกลมันน้อยลงรู้จุดอ่อนมันมากขึ้น แล้วคนใเด็กกันก็ได้ได้ได้สัจธรรมได้บทเรียนจากมันคือมันสอนใตรักให้เรากำไรแต่ถ้าหลงนะมาแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเราแล้วเราหลงเนี่ยเข้าไปเป็นมะอันนี้ก็ทุกข์เลยนี่นักปฏิบัติจริงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ จะไม่รู้สึกลบนะกับอารมณ์เหล่านี้เลยเพรา ะ, ะเป็นการปฏิบัติแบบเจริญสติปัฏฐานหรือว่าวิปัสสนา เ, เพราะว่ามุ่งที่จะพิจารณากายเวสนาจิตธรรมหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมานะอยู่แล้วอะไรมาก็แค่รู้ แต่ถ้ามุ่งสมถะกรรมฐ า, านจะเน้นความสงบอารมณ์เหล่านี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติเพราะมุ่งความสงบไอ้พวกนี้อารมณ์อะไรนี้มันตัวทําให้ใจไม่สงบความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดความขุนเคืองถ้าปฏิบัติแบบสมถะมุ่งความสงบจะไม่ชอบแต่ถ้าเน้นวิปัสสนา ต้องการเห็นความจริงเห็นศัจธรรมของกายและใจไอ้ของพวกที่มาเนี่ยมันก็กลายเป็นของที่มีประโยชน์เพราะมันกำลังจ ะ, ะแสดงไตรลักให้เราเห็นแต่ก่อน ถ, ถึงจุดนั้นเนี่ยก็ต้องรู้เท่าทันมันก่อนรู้เท่าทันว่า อ, อ๋อมันเป็นอย่างนี้ ความโกรธเป็นอย่างนี้ความเกลียดเป็นอย่างนี้ความคุ่เคืองเป็นอย่างนี้คือรู้ลักษณะอาการของมันเรียกทีระสัญญาทีระสัญญาคือความจำได้หมายรู้อาการของมันเมื่อจำได้หมายรู้ก็จะไม่ถูกมันหลอกเมื่อจําได้หมายรู้ว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้ ก็จะไม่ติดกับดักของมันหรือว่ากลายเป็นท่าของมันเหมือนกับขโมยที่เข้ามาสิบหกสิบแปดมงกดที่มาหลอกเราบอกเราหลอกเราบ่อยๆหลอกไปเร า, เราบ่อยๆนะถ้าเรารู้จักมันทบทวนเราก็จะ รู้ทันมันมากขึ้นครั้งต่อไปมันก็จะหลอกเราได้น้อยลงเราจะรู้จักมันได้ดีขึ้นเพราะเจอมัาบ่อยๆเห็นมาบ่อยๆอันนี้มันก็เลยเป็นของดีนะจึงบอกว่าอารมณ์พวกนี้เนีะความไม่สงบพวกนี้อารมณ์พวกนี้เนี่ยมัน มันเป็นกลางๆนะคือมันไม่ดิ้ ม, มไม่ชั่วนะมันไม่ไม่ได้เป็นคุณและโทษนะมันอยู่ที่ใจเราว่าใจเราเนี่ยหลงหรือรู้ถ้าใจหลงนี่เกิดโทษเป็นทุกข์แต่ถ้าใจนี่รู้เกิดประโยชน์นะจิตได้รับการพัฒนามีสเตมากขึ้นแล้วก็มีปัญญาตามมา มีสติมากคือหมอายมรู้ทันมันได้ไวแล้วลึกลงมันได้ไวไม่ถูกมันหลอกล่อและต่อไปก็มีปัญญาคือเห็นไตลักษเนี่ยจากจากธรรมชาติที่มันแสดงตัวให้เห็นอยู่และให้เห็นแล้วแล้วเห็นแล้วเห็นเห็นเห็นแล้ว อ, อีกจนแ จ, นจมแจ้งในไตลักก็เกิดปัญญาเห็นดอวยส่วนมะคุณเมื่อไรบุญเห็นด้วยปัญญาว่าสังหารหนักปวเป็นทุกข์สังหารหนักปวนไม่เชี่ยงสังหานทำนักปวนเป็นอนัตตา เมื่อนั้นย่อมเหนื่ ย, นยในใสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตกลงนั่นแหละเป็นท า, างแห่พนิพัทธ์เป็นทํามบทจดเห็นสังคัญเป็นทุกได้พอหลายก็เพราะมันมาให้เราเห็นนี่ไม่บ่อ ย, ไ ม, อยไม่บ่อยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยให้เราวางใจให้เป็น เ, นเกี่ยวข้งของกับให้ถูกก็ได้ประโยชน์แล้กระทั่งกับความฟุ้งซ่านความกปวดความหลงเความกลัวความเกลียดความขับแคลนความอิดฉาความโลภราคะเพยาบาต ชอบได้เผือกตนนี้นะ